เอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกาปปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยะามนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพะโรโค วินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภะอะพิวาธนสีลิสานิจังวุ ธ, ธาปจายิโนจัตตารุธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพาลังภาวะตุสัพพะมังคลัง ราขันตุสัพพเทวตาสัพพุทานุภาเวนะสัพพธรรมานุพาเวนะสัพสังคานุภาเวนะสทาโสถีภววนตุเต